จเจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านวันนี้รายการธรรมส่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้อัตมาภาพจะได้นำสารธรรมจากพระตจพิดกมาฝากท่านสาธุชนเป็นช่วงแรกของรายการซึ่งเป็นบทความของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคลที่ได้อธิบายไว้และได้นำลงใน ตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารธรรมกายนิตยสารเพื่อการเผยแพร่พระสัจธรรมปีที่หนึ่งฉบับที่สองประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนอันนี้ก็จะข อ, อนำ ม, มาสู่ท่านสาธุชนโดยใจความนั้นหลวงพ่อท่านได้ยกมาจากพระสุตตันตปิฎกขุตกะนิกายคาถาธรรมบทพระไตรปิฎกเล่มที่ 25, หน้าที่หหความว่า ภูเรสันโตประกาศเสนติซึ่งแปลความเป็นภาษาไทยว่าสัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้อธิบายขยายความพระพุทธพจน์ซึ่งมาในพระไตรปิฎกโดยความว่าดำเนินความว่าสัตบุรุษทั้งหลายหมายถึงคนดีมีปัญญาย่อมจะเห็น ได้เด่นชัดแม้จะอยู่ในที่ไกลแสนไกลเกียรติคุณก็ย่อมจะปรากฏเรื่องระบือทั่วไปอุปมาดังขุนเขาที่สูงเด่นย่อมเห็นได้ในที่ไกลที่ว่าสัตบุรุษหมายถึงคนดีนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นคนรู้จักเกรงกลัวต่อบาปอกุศลเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียร ในกิจการและหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงจะคิดจะพูดจะกระทาการใดๆและจะปรึกษาในสิ่งใดกับใครๆก็จะไม่เป็นไปเพื่อบีดเบี ย, ยนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนส่วนที่ว่าสัตบุรุษเป็นคนมีปัญญานั้นก็เพราะว่าสัตบุรุษเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ และได้ยินได้ฟังมามากรู้จักเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักบุคคลควรครบหรือไม่ควรครบและรู้จักสังคมรู้จักกาละเทศะเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะมั่นคงและมีปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็นสาระประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่สาระประโยชน์ตามความเป็นจริง อนหนึ่งสัตบุรุษยังเป็นผู้มีทานหรือจาคะและศีลที่มั่นคงเป็นผู้สำรวมระวังกายวาจาและใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษจึงได้น้ำอีกอย่างหนึ่งว่าบัณฑิตสมดังพระธรรมภาสิต ท, ที่มีมาในสังยุตตะทีขนิกายมหาวัคความว่าอินทรียานิ รักขันติปันดิตาแปลความเป็นภาษาไทยว่าบันดิตย่อมรักษาอินทรีความว่าบันดิตหมายถึงผู้มีปัญญารอบรู้ทางเจริญทางเสื่อมรู้จักสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งรวมเรียกว่าอินทรีหกในเวลาเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้มรส สัมผัสทางกายและรู้ธรรมารมณ์ทางใจมิให้เคลิบเคลิม้มกําหนัดยินดีในอารมณ์ที่น่ารักและมิให้เคียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ารักก็ย่อมจะประพฤติธปฏิบัติทางกายทางวาจาและทางใจเป็นไปในแนวทางที่ถูกที่ควรสรุปความว่าสัตบุรุษเป็นคนดี มีศีลมีทรรมประจําใจมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอากุศลย่อมคิดพูดทําแต่กรรมที่ดีเป็นผู้มีสติมั่นคงและมีปัญญารอบรู้ทางเจริญทางเสือ่อมรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนและสังคมและรู้จักสํารวมระวังกายวาจา และใจให้เรียบร้อยไม่มีโทษจึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าบัณฑิตผู้มีเกียรติคุณฟุ้งขจรไปไกลและสามารถเห็นเด่นชัดในที่ทุกสถานดุดดังคุนเขาที่สูงเด่นเห็นได้ในที่ไกลฉะนั้นจึงเห็นสมดังพระธรรมภาษิตที่ลิขิตไว้เป็นเบื้องต้นว่าทูเรสันโตปากาเสนติ สัตบุรุษย่อมปรากฏในที่ไกลดังนี้นั่นก็เป็นสารธรรมจากพระไตรปิฎกและที่หลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชั ย, ยมังคโลได้อดถาธิบายความไว้โดยย่อๆซึ่งรายการธรรมะส่สันติในวันนี้นำมาฝากท่านสาธุชนเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติธรรมสำหรับวันนี้อัตมาภาพ มีข้อคิดธรรมะจากญาติโยมสาธุชนที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรม mm hmm. เนื่องในโครงการอบรมพระกรรมฐานประจำปี mm hmm. ที่ผ่านมาในรุ่นกลางปีระหว่างวันที่1ถึงวันที่14เดือนพฤษภาคมนั้นซึ่งก็เป็นการเป็นความรู้สึกของผู้ที่เข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรมซึ่งอาตมาเห็นว่าสมควรที่จะนามาเผยแพร่ให้สาธุชนผู้กาลังต้องการที่จะ ศึกษาและปฏิบัติธรรมกําลังคิดหาแนวทางอยู่ว่าจะไปศึกษาและปฏิบัติธรรมจะเริ่มต้นอย่างไรซึ่งก็ญาติโยมที่เข้ามาศึกษาที่วัดหลวงพ่สดธรรมกายรามนั้นบางท่านก็เป็นคนเก่าคือเคยมาปฏิบัติหลายรุ่นแล้วบางท่านก็เป็นคนใหม่เพิ่งเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมอาตมาได้นํามาจากบทสนทนาของกรรมการวัดเพื่อที่จะนําออกเผยแพร่ให้สาธุชนที่ อยู่ตามภูมิภาคต่างๆได้ยินได้ฟังได้เกิดแนวความคิดว่าธรรมะนั้นมีคุณประโยชน์แก่ชีวิตประจําวันของเราเป็นเรื่องที่จําเป็นของคนทุกคนนะสัตว์โลกที่ต้องการความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขถ้าปราศจากธรรมะเสียซะแล้วก็ย่อมจะประคับประคองนาวาชีวิตของตนนั้นให้ไปตลอดรอดฝังได้นั้นก็คงจะยากลําบากเพราะ เราจะต้องพินิษพิจารณาตัดสินปัญหาต่างๆด้วยความรอบคอบด้วยสติด้วยปัญญาและด้วยสัมปชัญญะความรู้สึกตัวอยู่ตลอดและตั้งอยู่ในคุณธรรมซึ่งถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรมคือมีความเมตตากรรุณามุทิตาอุเบกขานั่นก็คือกุณธรรมสำหรับผู้ใหญ่และต้องเว้นจากอคติธรรมนคือ อันาคติลำเอียงด้วยความรักใคร่โทษาคติลำเอียงด้วยความโกรธพยาบาทแล้วก็พยาคติลำเอียงด้วยความกลัวถึงโมหคติลำเอียงด้วยความหลงไม่รู้จริงอันนี้คือคุณธรรมสำหรับผู้ใหญ่เหล่านี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้แม้แต่ในการดำเนินชีวิตประจาวันก็ขาดปราศจากธรรมะเสียไม่ได้จึงขอเชิญท่านสาธุชนมา รับฟังข้อคิดตรงนี้สักนิดหนึ่งซึ่งอาตมานำมาจากบริจกาศของการอบรมพระกรรมฐานรุ่นที่แล้วขอเชิญสดับพร้อมกันสวัสดีครับขอทราบชื่อและนามสกุลครับค่ะชื่อพรสมเลิศโสภาพรค่ะเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดหลวงพสอธรรมการยารามไหมครับไม่เคยค่ะครั้งนี้ครั้งแรกนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างครับที่ที่มาที่วัดนี้ครั้งแรกนะครับ ตอนเข้ามาครั้งแรกก็รู้สึกว่าสงบนะคะถึงแม้ว่าอากาศร้อนแต่อย่างน้อยๆการเข้ามาก็รู้สึกว่าสบายใจจิตใจสงบแล้วก็พักอย่างไรครับพักศาลานะคะที่นี่มีปรากฏแต่ไม่ไม่เคยก็เลยพักศาลาก่อนครับแล้วก็ไม่ทราบว่าปฏิบัติธรรมที่นี่จะอยู่ได้สักกี่วันครับ ม, มีมีโอกาสอยู่ปฏิบัติได้สักกี่วันครับอยู่ประมาณ3มวันค่ะไม่อยู่นานกว่านั้นหรอครับพอดีติดทุร้นะคะอันนี้ พี่ชักชวนให้มานะคะก็เลยมีโอกาสได้มาทั้งๆังที่ไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ครับยินดีด้วยครับและทีนี้เออพอเริ่มนั่งสมาธิแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงครับการนั่งสมาธินะคะอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้สึกจิตใจสงบนะคะแล้วก็ก่อให้เกิดสติสมาธิแล้วถ้าถึงจุดจุดหนึ่งดิฉันคิดว่าก็จะมีเกิดกปัญญาด้วยค่ะครับ ขอให้ประสบความสำเร็จในการนั่งสมาธินะครับ <ขอ S 2> มีอะไร<ข> อ, อยากจะฝากไปถึงท่านอื่นๆที่ฟังเสียงคุณไหมครับค่ะ อ, อยากจะบอกว่าดิฉันก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะก็รู้สึกดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากคิดว่าเฉพาะคนเท่าคนแก่นะคะที่มาที่วัดควรจะเป็นทุกๆคนเพราะว่าอย่า ง, งน้อยๆมันได้ใช้ได้กับชีวิตประจาวันมีศีลธรรมทุกคนมีสมาธิทุกคนมีสติปัญญาทุกคนก็จะเกิด้โลกร่มเย็นเป็นสุขมากกว่า น, นี้คะ่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับสวัสดีครับดีครั บ, รบขอทราบชื่อนามสกุลด้วยครับเอ่อสวัสดีค่ะชื่อเนธนพิษธีระวันชัยค่ะเออไม่ทราบคุณเนธนพิธรู้จักการอบรมหรือว่าได้ทราบข่าวการอบรมพระกรรมฐานได้พระสงค์ของวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามได้อย่างไรครับทราบเนื่องจากว่าเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มหาเสริมชัยนะคะแล้วก็ไปปฏิบัติที่วัดสเกตเป็นเป็นประจำอะคะ่ะก็เลยทราบว่าที่นี่จะเปิดการอบรม รู้สึกอย่างไรบ้างครับกับการมาอบรมที่นี่ครับรู้สึกประทับใจมากนะคะเนื่องจากมีการจัดเตรียมแผนงานเป็น อ, อย่างอย่างดีอะคะ่ะแล้วก็มีการดูแลประชาชนแล้วก็อุบาสิกาที่เข้ามาปฏิบัติอย่างดีมากอะคะ่ะเอออย่างอุบาสิกาที่มาปฏิบัติทำเนี่นะครับเขาให้ทํำยังไงครับคือรักษาศีลระดับไหนศีน5้าหรือศีนแปแล้วก็อยู่ยังไงครับ สำหรับอุบาสิการนี้ก็จะรักษาสินแปดะนะคะเป็นเป็นเป็นประจําแล้วก็การอยู่เนี่ยเราก็จะมีการอยู่กรดซึ่งก็เพื่อเพื่อความเป็นสปายะในแง่ของการปฏิบัติก็จะดีขึ้นนะคะครับแล้วก็คิดว่าควรจะแนะนําให้ใครมาปฏิบัติธรรมบ้างครับอยากจะเรียนแล้วก็เชิญชวนทุกๆคนนะนะคะทุกๆเพศทุกท ก, ท ก, ทกวัยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนที่ออมีอายุมากก็จะเป็นทุก อ ย, อย่างที่เรียนนะคะคือทุกเพศทุกใบแล้วก็ให้มาปฏิบัติกันมากๆอ่ะคะ่ะก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเองแล้วก็ต่อสังคมแล้วก็ประเทศชาติ ค, ค่ะไม่ทราบอาจารย์นิรพิษทํางานที่ไหนครับอยู่ที่รับราชการนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลนะคะมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะออผมขอทราบชื่อนามสกุลของท่านครับ ครับเออผมชื่อศักดิ์สิทธิ์นามสกุลปะระสิธิ์ชัยชำนาครับเออแม่ทจ้าคุณศักดิ์สิทธิ์ทํางานที่ไหนครับเออผมทํางานอยู่บริษัทสยามกราการและนิสสเซลลจำกัดปทุมวันครับทราบข่าวการอบรมพระกรรมฐานของวัดหลวงพ่อสตธ ร, รมกายยารามได้อย่างไรครับครับโดยปกติเออผมจะไปนั่งสมาธิอยู่ที่วัดสะเกดเป็นประจำอยู่แล้วครับแล้วก็มีข่าวจากที่นู่นมาซึ่งอบรมเป็นประจําปีละสองครั้งครับครับ มาอบรมคราวนี้เนี่ยไม่ทราบว่าเอจะพักอยู่ที่นี่สักกี่วันครับเอเที่ยวนี้นี่ผมตั้งใจว่าจะอยู่สิบเอ็ดวันครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับการเรียนการสอนที่นี่ครับการเรียนการสอนที่นี่ผมคิดว่าดีเพราะว่าเขาสอนนี่ค่อนข้างจะเป็นสายตรงนะฮะเพราะว่าจะรวมการนั่งเนี่ยสามแบบเข้าด้วยกันคือบริกรรมนิมิตนะฮะแล้วก็บริกรรมภาวนาพร้อมกับ อ, อ, อานามปนสติพร้อมกันสามตัวครับมีเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนมา อบรมด้วยกันบ้างไหมครับเพื่อนๆนี่ผมจะชวนมาคือเป็นเพื่อนของเพื่อนด้วยแล้วก็ชวนพี่สาวมาด้วยแต่ว่าไม่รู้เขาคงจะติดธุระหรือเปล่านะครับครับแล้วก็อยากจะแนะนําให้เยาวชนหรือว่าผู้ทํางานหรือว่าใครๆมาฝึกอบรมตามวิธีนี้ตามแนววิธีวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปักน้ํำไหมครับคือจริงๆแล้วการอบรมสายนี้นะครับคือตัวตัวผมเองพมที่ไม่เคยอบรมแต่พอมาอบรมแล้วรู้สึกว่า ความโลภความโกรธความหลงนี่มันลดลงไปอย่างอย่างวัดผลได้นะครับแล้วก็เราก็เลยชวนเนี่ยพี่น้องเรามานั่งเป็นบางครั้งพร้อมกับ เ, ออเพื่อนๆทั้งสนิทและไม่สนิทนะฮะมานั่งด้วยนะครั บ, รบขอบคุณคุณสังสจธิ์มากครับครับผมสวัสดีครับคุณชายาดาไม่ทราบว่ามาอบรมคราวนี้เป็นยังไงบ้างครับสวัสดีค่ะพี่สุวิทย์เออมาคราวนี้ ก็ดีในแง่ที่ว่าอย่างน้อยเราได้หลีกเลี่ยงความสับสนแล้วก็บุ้นวายจากชีวิตประจําวันจากงานที่มีปัญหาเราได้มาอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วมีเวลาให้กับตัวเองได้ตรึกตองคิดถึงว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรและอมันทําให้เราได้คําตอบหลายอย่างสําหรับปัญหาที่มีอยู่ครับส่วนใหญ่เนี่ยทํางานเนี่ยค่อนข้างจะหนักอยู่แล้วเป็น ทันโทษนะครับผู้จัดการการเงินใช่ไหมคบปัจจุบันใช่ค่ะซึ่ง้องรับผิดชอบสูงนะครับ้ามาอย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันคลายไปได้เยอะไหมครับ<ๆ>เห็นชัดไหมครับเยอะมากเยอะมากอย่างน้อยเป็นช่วงเวลาที่เราได้รู้จักตัวเองแล้วก็ให้ตัวเองได้เรียนรู้ตัวเองด้วยแล้วกลับไปนี่ก็คล้ายๆกับ ม, มีแรงทางานมากขึ้นอย่างนั้นไหมฮะมันก็เหมือนกับเราได้ชาร์จแบตนะ S <S ซึ่งผมว่ามีประโยชน์นะครับค่ะมากค่ะแล้วส่วนใหญ่พยายามมาไหมครับหมายถึงว่ามีอบรมก็มาจะพยายามมาถ้ามี ถ, ามถ้ามีจัดถ้าที่นี่มีจัดนี่จะพยายามมาครับแล้วก็การจัดของที่นี่เป็นยังไงบ้างครับตามความรู้สึกนะครับตามความรู้สึกอืในทั่วไปนี่ดีเพราะว่าที่นี่เปิดอากาศให้คนทุกทุกคนทุกไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือที่ไหนแล้วก็ทุกระดับการศึกษาทุกระดับอาชีพมีโอกาสเข้ามาศึกษาหมด แต่ว่าศานานี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งแล้วก็ยาวมากอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งในการเรียนรู้ครับแล้วอบรมที่นี่เหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยค่ะสบายมากเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับได้พักผ่อนด้วยได้ปฏิบัติด้วยทั้ง2อย่างในเวลาเดียวกันครับขอบพระคุณมากนะครับผมขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับค่ะสาธุค่ะสวัสดีครับพี่ศรีสิริครับไม่ทราบว่าเออคราวนี้พี่เดินทางมาจากจังหวัดไหนครับค่ะมาจากจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ แต่ว่าทางานที่จังหวัดระบุรีเป็นผู้จัดการสานัก ง, งานป่าปาชัยบาดาลมาปฏิบัติาาธรรมนี้รู้สึกยังไงบ้างครับค่ะรู้สึกว่าเหมือนได้ออกมาจากอีกโลกหนึ่งของโลกของการทำงานเพราะว่าในการทำงานเป็นผู้หญิงและต้องรับผิดชอบเหมือนผู้ชายซึ่งจะต้องดูแลให้ประชาชนมีน้ำดื่มน้ำใช้บริการทุกด้านใ ห, ให้ในด้านสาธารณูปโภคกับประชาชน รู้สึกในการทำงานชีวิตนี่หนักหน่วงมากเมื่อถึงเวลา <c oughs> ได้ได้มีโอกาสที่จะได้เข้ามาปฏิบัติธรรมดีใจมากที่ว่าหลวงพ่อสดได้จัดกิจกรรมอย่างนี้ปีละสองครั้งซึ่งช่วงเวลานี้ดีมากเพราะว่าเดือนพฤษภาจะเป็นเดือนที่มีวันหยุดทำให้เราลางานน้อยลงแล้วการการเสียหายของทางราชการไม่มีตัวเราเองก็ได้ประโยชน์แทนที่จะไปเที่ยวที่อื่นหรือว่า ไปทําอะไรก็ได้มาพักผ่อนตรงนี้แล้วได้ทั้งครอบครัวท่านโทษนะครับมาทั้งครอบครัวไหมครับค่ะคือมีพระลูกชายมาบวชที่นี่<อ>ด้วยแรงศรัทธาหลวงพ่อสดขอเสริมนิดนึงนะคะว่าการมาอยู่ที่นี่เป็นอะไรที่สะดวกสบายมากห้องน้ำสะอาดอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แล้วไม่มีเงินก็มาได้ตรงนี้ค่ะเป็นที่ประทับใจเพราะว่าเคยพา ญาติซึ่งเขาเป็นคนจนมาแล้วเขาก็มาเหมือนอยู่ปรีกินปรีแต่ได้ทำมากลกับไปตรงนี้เราชื่นใจชื่นใจตรง น, นี้ขอประชาัมพันธ์ว่าคนจนที่สุดไม่มีเงินเลยก็มาทำบุญมามาปฏิบัติธรรมตรงนี้ได้ครับอันนี้ผมก็ขอยืนยันด้วยนะครับว่าทางววดต้ตอนรับนะครับไม่จำเป็นไมต้องหอมเงินมาที่นี่ ค, ครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขออนุโมทนาด้วยนะครับ นั่นก็เป็นความรู้สึกของญาติโยมสาธุชนผู้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเข้าร่วมโครงการอบรมพระกรรมฐานที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวมนาวิชาธรรมกายที่แสดงความคิดเห็นต่างๆผ่านรายการธรรมสู่สันติตรงนี้ซึ่งอัตมานำมาจากบรยากาการอบรมพระกรรมฐานประจาปีในรุ่นวันที่ 1- ถึงวันที่14บเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นรุ่นที่35ม้า ซึ่งก็ผ่านมาเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เองหลายคนหลายท่านได้บ่งบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงของผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมที่เข้ามารู้มาเห็นวิธีการปฏิบัติและหลักสูตรของการศึกษาอบรมธรรมะเขาได้รับความสงบแห่งจิตได้รับผลของการปฏิบัติตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ก็อยากจะ เผยแร่ชักชวนท่านผู้ฟังรายการทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังหรือที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะ ส, สู่สันติอยู่ตรงนี้ให้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมยิ่งอยู่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้อะไรอะไรก็กำลังรัดตัวจิงอยู่การศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้ น, นก็ต้องอาศัยช่วงที่ อ, อารมณ์สบายๆแต่ถ้าบางคราวเรามีเรื่องทุก อ, อกทุกใจ อยากจะผ่อนคลายตรงนั้นนะก็ได้ใช้หลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แหละเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อทําจิตให้สงบสักนิดหนึ่งแล้วท่านจะรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาแม้แต่ปัญหาในการดําเนินชีวิตถ้าปราศจากหลักธรรมคำสั่งสอนแล้วถ้าเราทําอะไรผิดพลาดไปด้วยความประมาทขาดสติ ผลเสียหรือว่าผลกระทบต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลแต่ถ้าเราหยุดตรึกคิดสักนิดรอเวลาสักหน่อยเพื่อที่จะให้อะไรๆต่างๆมันเข้าที่เข้าทางนั่นแหละก็คือความเฉลียวฉลาดความมีสติความมีปัญญานั่นได้จากผลของการศึกษาและปฏิบัติธรรมถ้าบุคคลที่ไม่มีธรรมะอยู่ในขณะนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่า กิจการที่เรากําลังดําเนินไปอยู่เกิดล้มละลายหรือว่าหมดหน้นทางในการแก้ไขแล้วถ้าท่านเตรียมไม่ได้เตรียมใจไว้ดีพร้อมนะท่านอาจจะทําอะไรผิดผิ ด, ผ ด, พ, ลดพลาดพลาดลงไปก็ได้นั่นแหละคือผลของการไม่ศึกษาและปฏิบัติธรรมคือไม่ได้เตรียมตัวที่จะรับสภาวะธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนซึ่ง เรายังไม่พร้อมที่จะรับหรือบางคนรับความจริงไม่ได้อย่างเช่นสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนะี่ยบางคนรับไม่ได้เคยเป็นคนที่มีการใช้จ่ายที่ะสะดวกมือนะแบบว่าคล่องทุกอย่างจ่ายสะดวกแต่ถ้าเกิดมาปัจจุบันเกิดว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปบางคนรับไม่ได้ถึงกาดถึงตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะก็มีข่าวดังที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆ บางท่านก็ฆ่าตัวตายบางคนก็ฆ่าตัวเองด้วยนะลูกเมียด้วยอันนี้เป็นตนนั่นก็เกิดจากการขาดศีลขาดธรรมขาดการนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจนั่นเองอันนี้แหละคือเป็นผลของการศึกษาและปฏิบัติธรรมด้วยทางหนึ่งเลยทีเดียวเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำไปใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันเพราะการศึกษาและปฏิบัติธรรมนั้นไม่จาเป็นจะต้องเป็นเรื่องของ ท่านผู้สูงอายุเสมอไปเป็นเรื่องจําเป็นสาหรับทุกเพศทุกวัยเพราะธรรมะเป็นของคู่ชีวิตรายการธรรมะส่สันติได้นำเกร็ดความรู้สารธรรมประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมบ้างความรู้สึกของท่านผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมบ้างมาฝากท่านสาธุชนในวันนี้เป็นการชักชวนหรือว่าประกาศข่าวการบุญการกุศลเพื่อที่จะให้สาธุชนไปร่วมจเจริญ สมาธิหรือสมาถาวิปัสสนากรรมฐานตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าที่ประเดจพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีสดจันทัศโรได้ถ่ายทอดสันสินเอาไว้ในโครงการอบรมพระกรรมฐานประจำปีในรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมศกนี้วันนี้อาตมาภาพก็ นำมาฝากท่านสาธุชนช่วงนี้พักสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการบูชาจะบูชนียานังเอตัมมังคะลมุตตมังการบูชาในสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดขอเชิญ กราบนมัสการพระประธานพุทธชัยมงคลและพระคู่บารมีพระประธานที่ประดิษฐานณอุโบสถวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและเชิญชมนิทัศการพระบรมสารีริกธาตุที่สำคัญอีกมากมาย การบูชาในสิ่งที่ควรบูชาย่อมนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตพิเศษเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เปิดโอกาสให้สาธุชนกราบนมัสการอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เวลาแปดนาฬกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจ เข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคลสำหรับทั้งหมดนั้นที่อาตมาได้แจ้งให้สาธุชนทราบถ้าท่านใดประสงค์ที่จะ เข้ารับการอบรมพระกรรมฐานตามแนววิชาธรรมกายของพระพุทธเจ้าก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิพุทธภาวนาวิชาธรรมกายศาลากา ร, ปรเปรียนวัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพหรือวัดภูเขาทองหมายเลขโทรศัพท์ 224-7475 และที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายราม หมายเลขโทรศัพท์รหัสจังหวัด032กดไปที่หมายเลข254650และ253352กดต่อ220ได้เป็นประจำทุกวันจะมีเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงรายละเอียดให้แก่ท่านผู้สนใจ ที่จะเข้ารับการอบรมพระกรรมฐานโดยพร้อมเพียงกันสําหรับโอกาสต่อไปอาตมาจะได้นํากิจกรรมประจําวันและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอบรมพระกรรมฐานมาฝากท่านสาธุชนอีกเพราะว่าในช่วงนี้เป็นเทศกาลใกล้ที่จะเปิดการอบรมพระกรรมฐานก็ต้องขอโอกาสทางญาติโยมสาธุชนผู้กําลังติดตามรับฟังธรรมะอาจจะช่วงนี้อาจจะมีเกรดธรรมะเบาๆหรือ เป็นข่าวประจัทนทร์เกี่ยวกับการอบรมพระกรรมฐานเพื่อที่จะให้สาธุชนทั่วประเทศได้เข้าไปร่วมกิจกรรมกันก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังรายการมาณโอกาสนี้ด้วยสำหรับวันนี้อัตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ ว, วัดหลวงพ่สดธรรมกายรามขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไตรและบุญกุศลที่สาธุชนได้ประกอบคําเพญมาดีแล้วจงเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยประคับประคองอย่โยมสาธุชน ให้เป็นผู้มีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนเจริญรุ่งเรืองในพระสัตธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจิจการงานโดยชอบทั้งปวงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษยสมบัติสวรรคสมบัติและพระนิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และพระนิพพานหนึ่งฝ่ายที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร Thank you.